ยาริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่สามกันยายนพุทธศักราช2546ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน10เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมพอถึงวันพระท่านผู้มี จิตศรัทธาก็จะมาที่วัดเพื่อประกอบคุณงามความดีทำคุณทำประโยชน์ให้กับตนและกับผู้อื่นสร้างความสุขความเจริญให้กับจิตกับใจการมาวัดนี้เปรียบเทียบเหมือนกับการไปร้านซักเสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วสกปรก เราก็ต้องเอาไปที่ร้านเพื่อให้เขาซักรีดให้กับเรา <c oughs> ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้ดูแลรักษาไม่มีการซักรีดเสื้อผ้านั้นก็จะไม่สะอาดวัดก็เป็นเหมือนกับร้านซักรีดที่ญาติโยงนำจิตใจมา <c oughs> ชำระทำความสะอาดขัดเกลาสิ่ ง, งเศร้าหมองทั้งหลาย ที่มีอยู่ภายในใจสิ่งสมองเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเป็นเหตุที่จะฉุดกระชากรากจิตใจให้ไปสู่ที่ต่ำไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งหลาย <c oughs> แต่ถ้าเราได้มีการชาระอย่างสม่าเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็มาที่วัดสักครั้งหนึ่ง เพื่อมาชำระจิตใจชำระ ก, กิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจิตใจก็จะค่อยๆสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อจิตมีความสะอาดบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรความสุขและความเจริญ <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปถ้าเราสามารถปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราไปจนในที่สุด ทำให้จิตใจของเราสะอาดหมดจดเราก็จะมีแต่จิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตที่ไม่ต้องไปเผชิญกับความทุกข์ความเสื่อมเสียอีกต่อไปเพราะความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหมดนั้น mm. เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองนี่เองไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษกับจิตใจ มากกว่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราเราก็ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับการชาระกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ได้กานกรองออกมาแล้วจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วจนเห็นผล ชำระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดหมดจดหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจึงนำมาประกาศสั่งสอนให้กับสัตว์โลกเพื่อที่สัตว์โลกจะได้มีโอกาสหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เสียสักทีถ้าไม่ได้รับการปฏิบัติขัดเกาวแล้ว จิตใจของสัตต์โลกก็ยังจะต้องวนว่ายวนเวียนว่าตายเกิดอยู่แบบไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะเหตุที่พาให้ไปเกิดนี้ก็คือกิเลสตัณหาทั้งนั้นนะดังนั้นการที่เรามาวัดกันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นการกระทาที่ดีเป็นการกระทาที่ควรจะกระทาอย่างต่อเนื่องและทำให้มากจริงๆขึ้นไป เพราะจะมีแต่ผลดีกับตนเองและกับผู้อื่นเพราะคนที่ไม่มีกิเลสอยู่ในใจนั้นต่างกับคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสนั้นอยู่กับใครที่ไหนย่อมสร้างความรุนแรงให้กับคนรอบตัวและกับตัวเองอเพราะเวลามีความโลภความโกรธขึ้นมามก็มีความทุกข์มีความร้อนรอนอยู่ในใจแล้วก็ระบายออกไปสู่ผู้อื่น มีความโลภ ก, ก็ต้องไปแก่งแย่งชิงดีทรัพย์สินสมบัติเข้าของต่างๆของผู้อื่นมีความโกรธก็ต้องไปทำร้ายผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ไหนก็จะไม่สร้างปัญหาไม่เป็นปัญหาให้กับใครอยู่ที่ไหนก็จะตั้งอยู่ด้วยความสงบ เพราะในใจไม่มีความวุ่นวายไม่มีความร้อนรนมีแต่ความอิ่มมีความสงบมีความสุขนะจึงมิจึงแผ่ออกมาก็มีส่วนที่แผ่ออกมาก็มีแต่ความสุขให้กับผู้อื่นความรู้สึกสบายอกสบายใจให้กับผู้อื่นนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการขัดเกลาจิตใจ อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องด้วยการมาทำบุญทรทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม <c oughs> นั่งสมาธิจเจริญปัญญานี่คือเครื่องมือที่จะใช้ในการขัดเกลาจิตใจ <c oughs> <c oughs> การขัดเกลาจิตใจนี้ต้องมีสติเป็นผู้นำคือจะต้องเป็นผู้นำการทําสมาธิและการจเจริญปัญญาส่วน การทำบุญให้ทานกับการรักษาศีลดีเป็นเหมือนผู้สนับสนุนคอยปรับดันให้จิตได้เข้าสู่การปฏิบัติสมาธิและปัญญาส่วนสติเป็นผู้นำให้การปฏิบัติทางสมาธิและปัญญาให้เกิดผลขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้จะไม่สามารถพิจารณาธรรมะ ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงได้เพราะจิตจะลอยไปลอยมาเหมือนกับเรือที่ไม่จอดนิ่งอยู่กับท่าถ้าเรือเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการให้ไหลไปตามกระแส น, น้ำเราต้องผูกเรือไว้กับท่าหรือทอดสมอไว้ถ้าไม่เช่นนั้นเรือก็จะไหลไปตามกระแส น, าน้าเวลาที่เราจะขนถ่ายสิ่งของหรือบุคคลขึ้นลงจากเรือ เรือต้องจอดนิ่งอยู่เสียก่อนถึงจะสามารถขนถ่ายสิ่งของและบุคคลได้แต่ถ้าเรือไม่จอดนิ่งไหลไปไหลามาการที่จะขนถ่ายสิ่งของและบุคคลลงหรือขึ้นจากเรือย่อมเป็นไปได้ด้วยความลำบากยากเย็นหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว <c oughs> เช่นเดียวกับการ <c oughs> ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจด ก็ต้องอาศัยจิตใจที่มีความสงบนิ่งจิตจะสงบนิ่งได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวคอยเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้จิตลอยไปลอยมาถ้าไม่มีสติเวลาเราทําสมาธิเช่นไหว้พระสวดมนต์หรือกาหนดพุทโธดูลมหายใจเข้าออกจะไม่สามารถกาหนดดูอยู่ได้เป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องอาจจะกาหนดได้เพียงแค่ สองสารนาทีหรือไม่ถึงเสียโดยซ้าไปสวนมนต์ได้คำสองคำก็ใจก็จะลอยเป็นคิดถึงเรื่องอื่นแล้วปากก็สวดไปแต่ใจก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่กันไปถ้าเป็นอย่างนี้จะทำให้ใจนิ่งให้สงบนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีสติคอยเตือนตนบอกว่าให้รู้อยู่กับบทสวดมนต์ ถ้ากำลังสวดมนต์อยู่ก็ให้มีความรู้คือสติให้รู้อยู่กับบทสวดมนต์ทุกบททุกคำหรือถ้าจะกำหนดดูลมหายใจก็ต้องมีสติรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เช่นเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆควบคู่กันไป ให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหรือถ้าจะกําหนดพุโทโธบริกรรมคําว่าพุโทโธพุธโทโธก็ให้รู้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตก็ตามหรือเรื่องที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราเรื่องของคนนั้นของคนนี้ในขณะที่เราจะทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราต้องมีสติกำหนดรู้อยู่กับงานที่เราให้จิตทำอยู่ในขณะนั้นถ้าเราสามารถมีสติควบคุมจิตให้อยู่ไปได้อย่างตอน อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลงจนในที่สุดก็จะนิ่งเหมือนกับรถที่เราค่อยๆผ่อนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกไม่ช้าก็เร็วรถก็จะต้องจอดนิ่งแต่ถ้าเราไม่ผ่อนคันเร่งเราไม่เหยียบเบรกแต่กลับเหยียบคันเร่งรับรองได้ว่ารถคันนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะจอดได้เลยเพราะว่า มีแต่จะมีแต่เครื่มผักดันให้มันวิ่งไปอยู่ตลอดเวลาจิตก็เช่นกันจะทำให้จิตสงบนิ่งตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไว้ถ้ามีตัวสติเหนี่ยวรั้งไว้แล้วคอยดึงไว้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสามอย่าง คือเราจะทำอย่างไหนก็ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะสวดมนต์ก่อนก็สวดมนต์ไปถ้าจะกำหนดบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไปถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปทำทั้งสามอย่างพร้อมๆกันเราต้องการรวมจิตเป็นหนึ่งถ้าให้จิตทำงานหลายๆอย่างจิตก็จะกระจายออกไปก็จะไม่รวมลงสู่ความเป็นหนึ่ง แต่ถ้าเราให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ที่คอยผูกคอยดึงคอยล่อให้จิตรวมลงไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีสติคอยควบคุมอยู่จิตก็จะรวมลงสู่ความสงบเมื่อจิตรวมลงสู่ความสงบแล้วในขณะนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะการการกาหนดจิตก็จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป พอตอนนั้นจิตจะนิ่งเหมือนกับรถยนต์เมื่อรถยนต์จอดดับเครื่องแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบตอนนั้นคนขับก็ไม่ต้องไปควบคุมรถไม่ต้องไปถือพวงอะไรไม่ต้องไปเข้าเกียร์เหยียบเบรกเพราะรถจอดนิ่งอยู่เครื่องยนต์ดับแล้วในขณะนั้นจิตก็เป็นอย่างนั้นจิตจะไม่คิดอะไรจิตจะมีแต่ความรู้อยู่กับตน เรียกว่าสักแต่ว่ารู้รู้ว่าขณะนี้มีแต่ตัวรู้อยู่ตามลําพังไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆอะไรทั้งสิ้นขณะนั้นมีแต่ความพอใจมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มนี่คือการขัดเกลอกิเลสในขั้นแรกก <c oughs> ารขัดเกลาด้วยสมาธินี้ <c oughs> เพียงแต่ทําให้กิเลสตัณหานั้นสงบตัวลง แต่ยังไม่สามารถถอดถอนทำลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้เปรียบเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าไว้เวลาย่าถูกหินทับหญ้าก็ไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้แต่ถ้ายกหินออกจากหญ้านั้นปล่อยทิ้งไว้สักสองสามวันหญ้านั้นก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามกลับขึ้นมาเพราะยังมีรากอยู่ในดิน เมื่อได้รับแดดรับฝนรับน้ำหญ้าก็จ ะ, จะเจริญงอกงามกลับคืนขึ้นมาฉันใดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความวุ่นวายใจก็เป็นเช่นนั้นในขณะที่อยู่ในสมาธิกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถทํางานได้จิตก็ไม่มีอะไรมาก่อควรให้เกิดความว่าวุ่นขุนมัวไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความขุ่นขึ้นมาก็มีแต่ความสุขความสบายใจ แต่สมาธิก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรตั้งอยู่ได้สักครู่หนึ่งยาวนูนนานก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติถ้าปฏิบัติมากก็จะนิ่งอยู่นานถ้าปฏิบัติน้อยก็จะยิ่งนิ่งอยู่ไม่นานไม่ช้าก็เร็วก็จะถอนออกมาเวลาที่จิตถอนออกมาจากสมาธิก็จะเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่มรับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส ผลทวพระที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีการคิดการปรุงก็เป็นโอกาสของกิเลสตัณหาที่จะทำงานต่อไปเห็นอะไรก็เกิดความอยากเกิดความชอบขึ้นมาเห็นอะไรก็เกิดความไม่ชอบไม่พอใจขึ้นมาได้ยินได้สัมผัสอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสมีโอกาสได้ทำงานแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าต้องการที่จะกำหลัดกาจัดกิเลสในขั้นต่อไปให้หมดสิ้นไปก็ต้องใช้การเจริญปัญญาหรือวิปัสนาการเจริญปัญญาหรือวิปัปสนานี้ก็เพื่อให้เราให้จิตเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายเช mm hmm. ่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จิตไปมีความยินดียินร้ายด้วยว่า มีสิ่งที่ควรจะยินดีหรือไม่เป็นสิ่งที่ควรจะยินร้ายหรือไม่รังเกียจมันหรือไม่เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจมีความหลงอยู่ก็จะหลงเห็นดีเห็นเห็นงามหรือเห็นไม่ดีเห็นไม่งามกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับจิตส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะทำให้เกิดความโลภกขึ้นมา ทำให้เกิดความอยากได้ขึ้นมาส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ไม่ถูกอบถูกใจก็จะเกิดความรังเกียจเดียดฉันเกิดความความแค้นความโกรธขึ้นมา <c oughs> กับสิ่งนั้นนั้นแต่ถ้าเราใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาอยู่แล้วเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราก็ยินดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเลยเพราะเราคิดว่ามันจะเป็นความสุข เช่นเห็นรูปที่เราชอบเราก็คิดว่าเมื่อเราได้รูปนี้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่ในทางปัญญานั้นถ้าวิเคราะห์ลงไปลึกๆแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นเพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาไม่สามารถดารงอยู่เหมือนเดิมได้ตลอดเวลาวันนี้เป็นอย่างนี้แต่เพิ่ง น, นี้ จะไม่เป็นอย่างวันนี้แล้วเช่นร่างกายของเราในขณะที่มีมีมีอยู่ในสภาพของของหนุ่มของสาวก็ดูแล้วก็น่าดูสวยงามแต่ต่อไปไม่นานก็จะต้องแก่และในที่สุด <c oughs> ก็ต้องตายไปนี่คือความไม่แน่นอนความของร่างกาย แต่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเวลาเราเห็นใครเข้าสักคนหนึ่งเราก็เกิดชอบอกชอบใจเพราะเรา้ชอบในรูปของเขาชอบในรูปร่างของเขานั่นเองแต่เราไม่เคยคิดว่ารูปร่างของเขานั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเขาไม่อยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปได้ไปตลอดนี่เราไม่ได้คิดเพราะเราไม่ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วเราจะต้องเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปและความสุขที่ฝากไว้กับสภาพนั้นๆก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจนในที่สุดความสุขที่เคยได้จากรูปนั้นก็จะหายไปหมดไปเหลือมาก็กลายเป็นความทุกข์นั่นเองนี่คือสภาพเป็นสิ่งที่ถ้าเราจเจริญด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปยินดีไปอยากมีนั้น รวนเป็นของไม่เทียมทั้งสิ้นรวนเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขที่ถาวรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการเสื่อมหมดไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นข้าของต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไน้รถมาใหม่คันหนึ่งขับไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เก่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องซ่อมต้องเสียแล้วหรือดีไม่ดีก็ไปประสบอุบัติเหตุ หรือถูกเขาขโมยไปอย่างนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีรถยนต์ก็ไม่ต้องทุกข์กับรถยนต์กันนั้นเราก็ยังอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าร้านสาวกทั้งหลายท่านไม่มีสมบัติอันใดภายนอกท่านก็อยู่ได้และท่านก็มีความสุขยิ่งกว่าพวกเราเสียอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านมีปัญญานั่นเองเวลาท่านมองอะไรท่านจะเห็นว่าเป็น เป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้เวลาที่เราไปเห็นหรือไปสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องทําความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สิ่งที่เราไปสัมผัสนั้นเขามาตามเรื่องของเขาเขาไม่ได้มาเพื่อเราเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราเพียงแต่ไปเจอเขาเท่านั้นเราจึงต้องหัดทําใจ ยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นปกติเขามาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ไปแต่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือควบคุมบังคับใจเราไม่ให้ไปไปรังเกียจเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องคนคนสองคนทำไมเราถึงชอบคนหนึ่งเราไปเกลียดอีกคนหนึ่งทั้งที่คนทั้งสองคนก็มาจากสิ่งเดียวกันก็คือมาจากดินน้าลมไฟ มีอาการ32เหมือนกันแต่เพราะกิเลสไม่มีปัญญาความหลงนั่นเองปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์เห็นภาพไหนเห็นคนไหนที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความชอบขึ้นมาเห็นภาพเห็นคนที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความเกลียดชังขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องการหนีไปให้พ้ น, พนจาก คนหรือภาพที่เราไม่ต้องการที่เราไม่ชอบแต่ถ้าล้วเรามีปัญญาเราก็บอกว่าภาพกับภาพหรือคนที่เราชอบกับคนที่เราไม่ชอบนั้นมันก็เป็นเหมือนกันมันก็เพียงแต่ผ่านมาทางตาเราแล้วเข้ามาทางใจเราเท่านั้นเองตาเราก็ดูได้ใจเราก็รับรู้ได้ทำไมเราต้องไปยินดียินร้ายกับคนสงคน ถ้าเรามองด้วยธรรมะมองด้วยปัญญาเราก็จะมองด้วยการปล่อยวางคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานั้นเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขามีปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะทำให้เขาหายไปเช่นกัน นี่เป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จิตเราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราจเจริญปัญญาให้เห็นถึงธรรมชาติแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไปยินดีไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราเข้าใจเราเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนุม่มเป็นสาววันนี้<ม>เดี๋ยวก็ต้องเป็นคนแก่คนเฒ่าในวันพรุ่งนี้ไปเอามาทำไมไปยินดีกับเขาทาไมปล่อยเขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาไม่ดีกว่าหรือเราอยู่ของเราตามลำพังเราก็มีความสุขได้ถ้าเรามีธรรมะไว้คอยกาจัดกิเลสตัณหาตัวที่คอยก่อกวนที่คอยสร้างความรู้สึกว่าไม่มี ว่าขาดแคลนสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าไม่มีความสุขเนะี่ยตัวความความที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขนี้ก็คือตัวกิเลสตัณหานี่เองที่คอยคอยสร้างความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาสร้างให้รู้สึกว่ามีความว้าเหวเงาหงอยถ้ามีสมบัติมีข้าวของมีเพื่อนมีคนนั้นคนนี้มาอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขแต่พอได้มาแล้วเป็นอย่างไร ความสุขก็มีอยู่มากแต่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ละครั้งความทุกข์เหล่านั้นก็จะกลบลืดทำลายความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นหมดสิ้นไปเลยเวลาเราต้องทุกกับคนที่เราอยู่ด้วยเป็นอย่างไรบางคนถึงกับอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้ก็มีต้องเลิกลาจากกันไปท่าทางที่เมื่อก่อนก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วจะมีความสุข แต่พออยู่กันไปได้ไม่ไม่ช้าก็เร็วก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ต้องเลิกลากันไปนี่แหละคือเรื่องของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่จิตของเราไปไปเกี่ยวข้องด้วยแต่เพราะว่าเราขาดปัญญานั่นเองเราไม่เข้าใจในสภาพในธรรมชาติของเขาว่าเป็นไตร ล, ลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราจึงไปหลงผิดคิดว่าเป็นสุขขังเป็นความสุขเป็นสิ่งที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเราสามารถดูแลรักษาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ตลอดเวลาแต่มันเราไม่สามารถฝืนความจริงได้แล้วในที่สุดเป็นอย่างไรชีวิตของเราเราก็ต้องทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ทุกกับสิ่งนั้นทุกกับสิ่งนี้และมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด ไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติที่เรามาเกิดใหม่ถ้าเราไม่กำจัดกิเลสตัณหาความโลภโกรธลงแล้วทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะดาเนินชีวิตแบบเดิมๆอย่างนี้ไปเห็นอะไรชอบก็อยากจะคว้า ม, มาเป็นสมบัติเห็นอะไรไม่ชอบก็อยากจะให้หายให้หายหมดไปอย่างนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความวุ่นวายตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ แต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมาธิเจริญปัญญามีสติเป็นผู้นำมีการทำบุญให้ทานการรักษาศีลเป็นผู้สนับสนุนแล้วในที่สุดไม่ช้าก็เร็วกิเลสตัณหาตัวที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ในใจก็จะต้องถูกทำลายหมดสิ้นไปเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจแล้ว ใจจะไม่มีความรู้สึกหิวอยากกับอะไรเลยเพราะมีความอิ่มมีความพออยู่ในตัวของเขาเขาจึงสามารถอยู่ตามปกติโดยไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆมาเป็นเป็นสมบัติของเขาเขาอยู่ตามลำพังได้เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่มีสมบัติอะไรภายนอกเลยยกเว้นเพียงแต่บริขารแปที่เรียกว่าอัฏฐบริขารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของสา ม, มณะคือต้องมีปัจจัยสี่เช่นอาหารลินทบายจีวรยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยเท่า น, นั้นนอกเหนือไปจากนั้นแนละ้วท่านไม่ต้องการอะไรอีกเลยเพราะท่านมองเห็นได้ด้วยปัญญาว่า เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นมีเงินก็ม่ต้องทุกข์กับเงินมียศก็ต้องทุกข์กับยศมีสรรเสริญก็ต้องทุกข์กับสรรเสริญมีการมาสุขก็ต้องทุกข์กับการมาสุขเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ถาวร น, นั่นเองมีเงินวันนี้พวกนี้ก็อาจจะหมดตัวได้มียศวันนี้พวกนี้ก็อาจจะถูกปลดได้ มีสเสริญในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะถูกคนเขาตําหนิได้มีความสุขวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดสิ้นไปก็ได้เช่นมีสามีมีภรรยาเราก็มีความสุขกับสามีกับภรรยาแต่อยู่ดีวันดีคืนดีสามีหรือภรรยาเกิดต้องตายจากไปอย่างกะตันหันโดยที่เราไม่คาดฝันขึ้นมา ความสุดที่เราเคยบีกับสามีหรือภรรยามันก็ต้องสูญสลายหมดไปในทันทีส่วนที่จะตามมาก็คือความทุกข์อย่างมหันนั่นเองนี่เป็นเพราะว่าเราขาดปัญญาเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันเราจึงมีความอ่อนแอจึงต้องถูกกิเลสเป็นตัวรากจูงมไปกิเลสเห็นอะไรชอบอะไรเราก็ต้องวิ่งไปหาสิ่งนั้นมา กิเลสไม่ต้องการสิ่งไหนเราก็ต้องกำจัดสิ่งนั้นหรือต้องหนีให้พ้นสิ่งนั้นไปนี่นี่เป็นเพราะว่าใจของเราไม่เป็นอิสระใจของเราไม่มีธรรมะเป็นผู้คอยปกครองดูแลรักษานั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้ แล้วต่อไปจิตของเราจะมีผู้ปกป้องดูแลคุ้มครองรักษาไม่ให้วิ่งเข้าไปหาสู่ความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วแล้วปล่อยให้ชีวิตของเราไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเราก็จะวิ่งเข้าหาความทุกข์หาความเสื่อมเสียอยู่ ไปตลอดเวลาเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติให้กับเราได้เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนจะต้องปฏิบัติกันเองเพราะพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ ส, สาวกท่านเป็นเพียงครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นผู้บอกทางพวกเราเป็นผู้เดินทางเราจะเดินไปทางที่ท่านสอนให้ไปก็ได้ หรือเราจะไม่เดินไปตามทางที่ท่านสอนให้ไปก็ได้มันอยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเราเป็นคนฉลาดถ้าเราฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นบุญของเราแสดงว่าเราเคยมีบุญมาก่อนในอนดีตเคยได้ทําคุณงามความดีเคยได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนจึงเวลาฟังเทศน์บำธรรมแต่ละครั้ง จึงเกิดมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติตามต่อไปแต่ถ้าเราไม่เคยมีบุญมีกุศลไม่เคยทําบุญทํากุศลมาก่อนเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ <c oughs> หรือเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ไม่รู้ว่าไม่คิดว่าการกระทําความดีเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะทําให้เรา มีความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ยังถูกอำนาจของกิเลสตัณหา <c oughs> ดูดกลับไปให้กลับไปหาสมบัติเข้าของเงินทองให้กลับไปหาลาภยศสารเสริญสุขถ้ากลับไปหาสิ่งเหล่านั้นและยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่จะตามมาต่อไปไม่ช้าก็เร็วก็คือความทุกข์ความความวุ่นวายใจนั่นเองเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ได้แสดงไว้แล้วต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปเราในที่สุ ด, สดแม้แต่ชีวิตของเราก็ต้องหมดไปถ้าเรา <c oughs> ไม่ได้มีปัญญาสั่งสอนจิตใจให้เตรียมรับกับสภาพแบบนี้เวลาที่เกิดการพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปก็จะต้องเกิดความทุกอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้าเรามีปัญญา คอยดูแลรักษาจิตใจคอยสังสอนจิตใจให้เตรียมรับกับสภาพเหล่านี้ไว้แล้ว